พระบัญญัติ299ก็ภิกษุใดทาหน้าที่ชักสื่อคือบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดีบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดีเพื่อให้เป็นพัญญาหรือเป็นชูรักเป็นสังฆาทิเศษสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระอุทายีจบ